ความสำคัญของการมีการยานามิตรข้อความจากพุทธพจน์ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพพนิมิตชั้นใดความมีการยานามิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัสดางกิกรรมักแก่ภิกษุชั้นนั้นภิกษุผู้มีการยานามิตร พึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริย a s ส d a n ก k i ม a m a k ดูก่อนอานนท์ความมีกัลยาณมิตรเท่ากับเป็นพรหมจันทร์ทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือเขาจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริย a s ส d ด n g ก i g ม อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรเหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาก็พ้นจากชาติผู้มีชราเป็นธรรมดาก็พ้นจากชราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาก็พ้นจากมรณะผู้มีโสกกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปายาตเป็นธรรมดาก็พ้นจากโสกกะปริเทวะทุกโทมานั์และอุปายาต ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพพานิมิตมาก่อนฉันใดความมีการยานิมิตก็เป็นตัวนำเป็นบุพพานิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงเจดแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุผู้มีการยานิมิตพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจากเจริญจากทาให้มากซึ่งโพชฌงเจต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 ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือหนึ่งจะเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาฏิโมกข์สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร 2. จัจะเป็นผู้ได้คือมีโอกาสสดับฟังได้ร่วมสนทนาอย่างสะดวกสบายตามความปรารถนาในเรื่องต่างๆที่ขัดกล่าวอุ ป, ปกิเลสชำระจิตใจให้ปลอดปโปรง่ง ค็เรื่องความมากน้อยละจนถึงเรื่องการบำเพ็ญเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัศนะสาจากเป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรเพื่อกำจัดอกุศลธรรมและเพื่อบำเพ็ญกุศลธรรมให้เพียบพร้อมจากเป็นผู้แข็งขันบากบั่นมั่นคงไม่ทอธทุระ ในกุศ ล, ลธรรม 4. จักเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะยังรู้ถึงความเกิดความดับชำระ ก, กิเลสนำไปสู่ความจบสิ้นแห่งทุกบาลีที่ยกมาอ้างนี้เน้นความสำคัญของความมีกัลยาณมิตรสำหรับพระภิกษุ เพราะเป็นพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระภิกษุส่วนในด้านคำสอนสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะชาวบ้านยิ่งมีหลักธรรมและพุทธภาษิตที่ย้ำถึงความสำคัญของการคบหาและการเสวนาคนดีเพิ่มจากนี้อีกมากมายดังเช่นว่าความมีกัลยาณมิตรเป็นข้อธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อบรรลุทิฏฐธรรมิกถะคือประโยชน์ในโลกนี้ การครบคนชั่วเป็นอบายมุกการครบมิตรและปฏิบัติถูกต้องต่อมิตรเป็นหลักอย่างหนึ่งในคำสอนเรื่องทิศ6กการรู้จักเลือกคบคนตามหลักมิตรแท้มิตรเทียมเป็นหลักธรรมมวดใหญ่ทีเดียวการเสวนาสัตว์บุรุษเป็นข้อธรรมหนึ่งในจักสีในวุฒิธรรมสีและในโสตาปฏิยังคาสี ความมีกัลยาณมิตรเป็นข้อธรรมหนึ่งในนาฏกรณธรรมหรือธรรมะที่ทำให้คนพึ่งตนได้สิบประการในชาดกซึ่งเป็นคำสอนสำหรับคนทุกชั้นทุกประเภทโดยเฉพาะชาวบ้านก็มีเรื่องราวและสุภาษิตแนะนำเกี่ยวกับการคบหาหรือการเซวนาเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีธรรมะภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ กระจายอยู่ทั่วๆไปในพระสุดตันตาปิฎกขอยกมาดูเป็นตัวอย่างการไม่คบคนผานการครบบัณฑิตและการบูชาคนควรบูชาดีเป็นอุดมมงคลคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นผู้ใดแม้มิได้ทำความชั่วแต่เกลือกลัวกับผู้ทำบาปผู้นั้น ย่อมปลอยถูกระแวงในกรรมชั่วและเสื่อมเสียชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นผู้ควบคนเร็วย่อมปลอยเร็วลงผู้ใดห่อปลาเน่าด้วยใบคาใบคายา่ายายอมเหม็นกลิ่นปลาคลาคลุงการเกลือกล่วคนผานย่อมมีผลอย่างนั้นผู้ใดห่อกลิศนาด้วยใบยไม้ใบไม้นั้นย่อมปลอยมีกลิ่นหอมฟุง้ง การเสวนานักปราชยย่อมมีผลอย่างนั้นปราชยย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำไม่ชวนทำสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องพึงมองเห็นคนมีปัญญาที่ชอบชี้โทษพูดจาคมขีเสมือนเป็นผู้บอกคมทรั์คนเช่นนั้นเป็นบัณฑิตควรครบได้คบคนเช่นนั้นมีแต่ดีขึ้นไม่เลวลง มเหตุผู้อ่านคำแปลที่ว่าชอบชี้โทษพู้จาคมขี่เป็นสำนวนนะครับหมายถึงการว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนคอยช่วยกันเร่งรัดย้ำแล้วย้ำอีกด้วยความเป็นธรรมพึงแนะนำตักเตือนเถิดพึงพร่ำสอนเถิดพึงห้ามรามจากความชั่วเถิดคนที่ทำเช่นนั้นย่อมเป็นที่รักของสัตว์บุรุษไม่เป็นที่รักของอสัตว์บุรุษ ขิรชนอยู่ร่วมด้วยเป็นสุขเสมือนสมาคมแห่งญาติเดินร่วมกันเจ็เก้าก็นับว่าเป็นมิตรเดินร่วมกันส2องเก้าก็นับว่าเป็นสหายอยู่ร่วมกันสักเดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือนก็นับว่าเป็นญาติถ้านานกว่านั้นไปก็เหมือนเป็นตัวเองมีญาติพวกพ้องมากย่อมเป็นการดี เหมือนหมูไม้มากลายในกลางป่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยวถึงจะงอกงามใหญ่โตเท่าใดลมก็พัดให้โค้นลงได้ถ้าได้สหายผู้มีปัญญาปกครองตนพึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขาถ้าไม่ได้สหายที่มีปัญญาปกครองตนพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่ว ควรคบมิตรที่เป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมผู้โอฬารด้วยความดีมีปฏิพันฑ์รั้นรู้จักประโยชน์ที่มุ่งหมายกำจัดความสงสัยได้แล้วจึงควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอรัการฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการนี่เป็นอุดมมงคล คนขึ้นแผน้อยไปในมหาสมุทรพึงจมเสียชั้นใดแม้แต่สาธุชนอาศัยคนเกียดคกร้านก็ย่อมจมลงได้ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นคนเว้นห่างคนเกียรคกร้านมีความเพียรซามอย่างนั้นเสียพึงอยู่ร่วมกับเหล่าบัณฑิตผู้สงัดผู้เป็นอริยะผู้มีใจเด็ดเดียวเพ่งพินิษผู้เร่งระดมความเพียรเป็นนิด สุภาษิตธรรมนองนี้แม้ไม่ต้องยกมาแสดงมากก็พอให้ข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบได้ว่าพุทธพจน์เกี่ยวกับการเสวนาที่ตรัสแก่พระภิกษุโดยมากมีจุดหมายมุ่งตรงต่อปรมัตและประสงค์จะเสริมสร้างสัมมาทิฐิในแนวที่จะเป็นโลกุตระอย่างเด่นชัดส่วนที่แสดงสำหรับคนทั่วไปหรือชาวบ้านเน้นประโยชน์ในขั้นทิฏฐธรมิกถะ เชื่อมกับสัมปราญิกาถะมุ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชีวิตประจำวันกลมกลื่นไปกับการชักจูงสมมาทิฏิในระดับโลกีคือการเชื่อกรรมความสำนึกรับผิด ช, ชอบเกี่ยวกับความดีความชั่วยังไม่เน้นสมมาทิทฐิแนวที่จะเป็นโลกุตระคือการมองโลกและชีวิตตามสภาวะเป็นทานองปล่อยให้แฝงอยู่และสอนสอดแทรกไปตามโอกาส อย่างที่เรียกว่าค่อยๆปูพื้นฐานจิตใจให้พร้อมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนทั่วไปมีหลายระดับคำสอนสำหรับคนทั่วไปในแนวนี้เช่นการให้รู้จักวางใจต่อความตายโดยพิจารณาความจริงเกี่ยวกับชีวิตและสังขารทั้งปวงที่ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนและการไม่มัวเมาในลาบยศสุขสันเสริญเป็นต้น